วันนี้เป็นวันที่ส5ตุลาคมพุทธศักราช2558ั25วันนี้หลวงพ่อฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่ อ, องคงจะไปทุระนะลูกหลานคณศสัตธ า, าติโยมไปขึ้นเครื่องลงกรุงเทพก็คงลงไปคงไม่กี่วันถ้าหากว่าตามหมายตามกำหนดก็ คงจะกลับวันที่18ไฟเที่ยงถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรยังค่อยว่ากันเพราะโลกนะีเป็นโลกอนิจจังของไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ถ้าไม่มีอะไรลงไปวันที่15กลับวันที่18เนี่ยที่หลวงพ่อสัก ที่นั่งซ้ายมือของหลวงพ่อเนี่ยพึ่งไปพาตัดในโรงพยาบาลศสุขุมอิทเป็นทนิวในถุงน้ำดีถุงน้ำดีอักเสบไปผ่าเป็นแผลใหญ่ทีเดียวเลยก็พึ่งออกมากดบินทบาทอยู่หลายวันก็วันนี้เป็นวันมาบินทบาท ร่วมกับพวกเราวัดของท่านนั่นเอยุดหลังเขาภูกอ้อยู่องเดียวอยู่องเดียวมาหลายปีแล้วละ่ะนี่แหละฟังๆดูเวทนาคำนี้นะพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเวทนาคือความเจ็บปวดคำนีนะ้มันไม่ใช่ธรรมดา ถ้าใครยังไม่เจอเนะี่ยยังพูดได้ยังหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออินเนี่ยกำลังพูดอยู่นะตรงพ่อพูดได้เพราะยังไม่ได้เจอกับตัวเองถ้าเจอกับ ต, ตัวเองเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละ อ, อไม่ใช่ธรรมดาเวทนาคนํานี้แต่ก็ยังดี อ, อมันไม่ใช่ปู่ของเวทนามันยังเป็น อ, อยัาง เ, เราปวดแข้งปวดขาเนะี่ยมันลูกหลานมันมาแย่เล่นเฉยๆแลอว ปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวนะลูกหลานของเวทนามันมันแย่เล่นนะทหารของมันมัแย่จริงๆคือนั่นแหละเจ็บไข้ได้ปวอย่างหลวงพ่อสักปวดนิวในถุงน้ำดีอันนี้ว่าเจ็บคัดหน้าคัดหลังหายใจจะไม่ออกเอาอันนี้ใครๆว่าทหารแต่ยังไม่ใช่ ผู้บัญชาการจริงๆค่ะถ้าผู้บัญชาการจริงๆพยามัจจุ <1971 S 2> ราชเข้ามาจุดนั้นอีกจุดนั้นแหละท้าบอกผู้บัญชาการของเวทนาบอกไอ้ตัดคอคราวนั้นแหละทีนี้ปูทวดเวทนาไม่ใช่ธรรมดามันบีบมันไม่ใช่บีบแต่บีบคอแล้วบีบจมูกอีกทีนี้ อชักดิ่นชักงอตะลีตะเหลือกกระเสือกกระสนเธอเนยั่นแหละเวทนาใหญ่เธอเนี่ยผัูท่ ก, กเลยใจขาดพอใจขาดแต่นั้นนะเออถ้าว่าพวกเราได้ภาวนาได้เตรียมตัวไว้ก่อนถึงจะเวทนาขนาดไหนก็เถอะเอา้าเวทนาสักว่าเวทนามันจะมาบี ก, ก็บีใกล้จะคอมันมันบีหัวใจข้าไม่ได้ล็อกนะอันนั้นคือ คือถ้าว่าเราแยกออกแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกายได้แล้วนะแต่มันต้องเป็นอย่างนั้นคล้ายๆว่าเขาจะทบรถกับทบไปค้าอยู่ข้างอยู่ข้างนอกไม่เกี่ยวกันแต่เสียดายม้กต่เสียดายอยู่แต่ว่าอย่างไงมันเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาเขาจะเผารถกับเผาไปแต่โซเฟอร์เนะี่ยออกไปอยู่ข้างนอกยืนอยู่ ที่เขาเผาไฟอันนั้นแปลว่าจิตของเราเข้าสู่ความสงบแยกกายแยกจิตออกจากกันได้แล้วนะอันนั้นเลิศประเสริฐที่สุดแต่ถ้าหากว่าพวกเราภาวนาอย่างแยกไม่ได้ก็เหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในรถนะเขาเผาทั้งรถเขาเผาทั้งโซเฟอร์รถ ด, ด้วยนั่นแหละทุกใจเลยท่เนนี่ออกจากรถก็ออกไม่ได้เพราะว่าห่วงรถไม่รู้จะออกยังไง แต่พระหันหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาจิตของท่านเข้าสู่ความสงบได้แล้วนะ่ะท่านจะแยกออกจากแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกายออกมาก็มายืนอยู่ข้างนอกไฟถึงไฟจะไหม้ลดก็เอาไหม้ไปจะทำยังไงมันไม่ไม่ใช่ไหม้แต่ลดของเราคันเดียว เ, เกิดมาเท่าไหร่เมื่อก็ไหม้หมดทุกคนนะคาว่าเกิดแก่เจ็บตายคานี้ ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้นี่แหละถ้าเมื่อภาวนาแล้วพราะนั้นเราเวลาเรานั่งภาวนาเวลามันปวดแข้งปวดขาปวดที่ไหนก็ตามตันให้พิจารณาเวทนาสักแต่ว่าเวทนาให้ดูพอดูแเวทนามันเกิดขึ้นมาจากไหนขึ้นมาจากกายมันปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาอันนี้ก็คือเวทนา เ, เวทนานะี่มันมันอยู่ในในร่างกายใช่ไหมใช่แต่ถ้าว่าเราไม่อยู่ในร่างกายล่ะใจของเราออกมาจากร่างล่ะเหมือนกับคนตายนะในเมื่อคนตายความรู้สึกออกมาจากร่างแล้วเอาไฟเผามันร้อนไหมร่างกายมันเจ็บไหมมันทุรนทุรายไหมไม่ทุรนทุรายเพราะอะไรเพราะคนตายใจออกจากร่างแล้วนะ เพราะนันเราต้องฝึกขาดไฟเอาใจออกจากร่างดูสิแยกไปซ ะ, ะเยนี่หละนั่งภาวนาน ะ, นะดูแยกดูสิออกมากัถึงมันจะปวดออกมาดูออกมาดูคนะเวทนาสักตาวเวทนาให้แต่พูดมันพูดได้นะมันพูดมันพูดได้นะการจัททายญาติโยมนะ น, นี่แ น, แ น, นะแ น, แนวแต่พอมาเจอเขาจริงๆก็ไม่ใช่ธรรมาราเหมืน อ, อกกนกันเราร้องโอ้กเหมือนกันอะ แต่ทำยังไงได้มันต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่พูดให้ฟังว่านี่นะวิธีการภาวนาแยกแนลแนแ น, แนวออกจากเวทนาสัตวเวทนาแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกายถ้าทำได้นะในเมื่อคราวจําเป็นเมื่อคราวคับขันนะเมื่อใจจะขาดเราจะรู้ได้วิธีการวิธีการแยกแยะอย่างนี้นะอันนี้คือวิธีการภาวนา ให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาในจุดนี้นคือร่างกายของเราเนะี่ยมีสองรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจแต่จิตใจน่นะตัวน่าจะสำคัญในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจเรื่องของโซเฟอร์มากกว่าอย่างอื่นท่านไม่ได้ให้ท่านไม่ได ให้ความสำคัญเรื่องของรถนะท่านให้ความสำคัญโซเฟอร์ในหลักธรรมคำสอนของพุทธะท่านไปศึกษาคนควาดูแล้วโซเฟอร์เนะี่ยสำคัญใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้า่มนโนปุพังคนะมมีมาธรมามโนเสถามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเมื่อโซเฟอร์ขับรถคันนี้ไปโซเฟอร์ไม่ดี รถคันนี้ก็ทําไม่ดีด้วยเพราะอะไรเพราะโซเฟอร์ให้ทำํำโซเฟอร์จะให้ไปเยียบพ้นโซเฟอร์ก็เหยียบคันเร่งไปหันพวงมาลัยไปเยียบใครก็ได้เพราะอะไรเพราะโซเฟอร์แต่โซเฟอร์มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมโซเฟอร์ก็จะต้องใช้รถคันนี้ให้เกิดประโยชน์ไม่ให้เบียดเบียนใครนี่แหละเพราะนั้นโซเฟอร์สมควรยิ่งจะต้องจะต้องได้รับการอบรมเอาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม ถ้าโซเฟอร์มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมดีรถคันนี้ก็ไปได้ดีไม่มีเรื่องไม่มีราอยู่กับชุมชนกลุ่มใดชุมชนกลุ่มนั้นก็รักเขารบนับถือเรื่มใสเพราะว่ารถคันนี้มันมีประโยชน์ไปนะสถ า, านที่ใดใครๆก็ชอบใครๆขึ้นไปขี่แล้วบอใครไปใช้งานแล้วบอขอไปใช้งาน รถคันนี้เขาไปได้ดีเพราะอะไรโซเฟอร์ดีนะแต่โซเฟอร์เกเรแล้วก็อย่างที่บพวกเราท่านทั้งหลายได้รับรัรบทราบนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อนี่นะลูกหลานนะขนา้าตถาญาติโยมได้นำธรรมคําสอนของพุทธนำธรรมคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ตกหล่นหรือว่าพวกลูกหลานไม่เข้าใจ ในหลักธรรมคำสอนหลวงพ่อก็ไดเอามาขยายผลมาแนะนำบอกกล่าวเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นที่หลวงพ่อพูดมามากต่อมากนี่แหละเป็นการแนะนวหรือกเป็นการขยายผลที่ตกหล่นที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดท่านกล่าวไว้แล้วหลวงพ่อเห็นว่าจุดไหนที่พวกเราท่านทั้งหลายควรจะเข้าใจควรจะศึกษาควรจะเรียนรู้ในหลักธรรมและคำสอน ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อพยายามเอามาตีแผลขยายผลให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบบางท่านบางคนเข้ามาศึกษาในพระพุทธศาสนาใหม่ก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องหลักธรรมคำสอนหลวงพ่อที่เข้ามาอยู่ก่อนที่เป็นพระเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อก็พยายามเอาแนวที่ได้ศึกษา มาแล้วก็ขยายผลเหมือนกับถ้าจะเปรียบเทียบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยเหมือนกับท่านอดท่านเปิเหมือนกับพ่อแม่นกนะพวกเราเนี่ยเหมือนกับเบบี้ลูกนกอยู่ในรังมีแต่คอยอ้าปากคอยรับเหยื่ออาหารจากพ่อแม่พ่อแม่ก่อนที่จะเอาเหยื่อมาให้พ่อพ่อกับแม่มันก็ต้อง เอคล้ายๆกับว่าลูกจะกินได้ขนาดไหนมันก็ต้องทาให้พี่หวาลูกกินได้มันจะค่อยเอามาใช่ปากลูกของมันฮลูกของมันก็มีแต่กินอย่างเดียวนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายศึกษากับครูบาอาจารย์กับลักษณะอย่างนั้น่ะไม่มีใครที่จะรู้เฉยๆผูรู้ไปทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจิตภาวนาเรื่องภาวนาเนี่ย ต้อศึกษาจากครูบาอาจารย์เท่านั้นจังศึกษาตามตำหนักตาราก็ใช่อยู่ในระดับหนึ่งแต่แง่มุมที่ที่พวกเราจะต้องศึกษานะเนี่ยเทคนิครู้แง่มุมที่มันจะต้องทําให้เสียหายหรือทําให้เกิดประโยชน์อันนั้นพวกเราต้องฟังอีกทีหนึ่งนะ เ, เพราะว่าแต่ละคนนั้ไม่เหมือนกัน เ, เหมือนเหมือนกันก็ใช่อ อันนี้เป็นยาอันนั้นนะใครก็บอ ก, บอกเป็นมาตรฐานไว้แต่พอมันเป็นเข้ามานะ่ะมันไม่ใช่แต่เป็นอย่างนั้นเข้ามามันต้องมียาตัว น, นั้นผสมเข้าไปด้วยตัวนั้นเขาผสมเข้าไปด้วยใครๆมันไม่ใช่แต่เป็นอย่างนั้นอย่างเดียวนะอย่างแก้วัดเหมือนกันพอยาแก้วัดายาแก้วัดใช่เป็นยาแก้วัดแต่มันหอบพิ้ละบะนะ่ มันไม่ใช่แต่ยาแก้หวัดมันต้องใช้หอบพื้เข้าไปอีกใช้ออกซิเจนเข้าไปอีกออแล้วก็ยาแก้อักเสบปอดพ่วมเข้าไปอีกไนงะใครค้ามันเทคนิคในการประพฤติปฏิบตัติเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานนะเนี่ยอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านจึงยกว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเนี่ยยกให้เป็นพ่อแม่ทั้งเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ด้วยทั้งครูทั้งอาจารย์ด้วยท่านนับ ถือเคารพนับถือเรื่มใสยเพราะว่าในอ่านตำตำตำตรับตาราแล้วนะแล้วก็ยังไม่เข้าใจเบางทีก็ต้องให้ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีประสบการณ์ท่านภาวนามาแล้วผ่านมาแล้วเป็นอย่างนี้นะต้องปฏิบัติอย่างนี้นะเนี่ยต้องเดินอย่างนี้นะสมาธินะถ้าเดินสมาธิผิดที่ผิดทางเนะีย่ยเดี๋ยวเสียหายนะอันนี้ก็คือแนวแถวของ หลวงปู่มัน่นหลวงตามหาบัวของพวกเราที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเพราะท่านหลวงพ่อเองแนะนําแนวปฏิปทาของครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่หลวงพ่อได้ศึกษามาเนี่ยเอามาบอกกล่าวขยายผลให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งส ม, มถตานเนี่ยจุดนี้แหละทาให้คนเสียหายได้ถ้าเป็นวิปัสนาจริงก็ไม่เป็นไรแต่สมมติฐาเนี่ย จะทําจิตให้ใจให้สงบอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องเอพี่น้องชาวอินโดพอจิตสงบเข้าไปอาจารย์ก็แนะนําให้เออเาส่งจิตออกไปดูเลยนะไปดูมันแพ่งมัน่นเอในเรื่องนั้นพอส่งจิตออกไปนอกเท่านั้นแหลอมันเป็นเห็นนิมิตเทวดาเห็นเทวบุตรเห็นนรกสวรรค์เห็นสิ่งที่ไม่พึงปราถนาปนุริสุขขนานั้น นอกนั้นก็กลัวนอกจากกลัวแล้วก็สําคัญตนเองผิดถือว่าเป็นบุคคลวิเศษว่าตัเองได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลแล้วเป็นผู้วิเศษแล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้วสยามภูรู้ไปหมดแล้วพยองพองตัวไปอีกเป็นบ้าไปอีกได้ง่ายๆอีกแนวหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องสมถะจุดนี้นะ่ะที่ทำให้คนเสียหายได้ง่ายเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สายของพวกเรานะ่หลงปู่มั่นนะ่หลงตาเนะี่ยท่านบอกเลยบอกญานะอย่าไปส่งจิตออกนอกนะวิธีการภาวนาถึงจะเห็นอะไรก็ตามถ้าเห็นนิมิตที่น่ากลัวก็ตามาเห็นนิมิตเออเป็นที่พึงปรารถนาเห็นนะสวรรค์เห็นเทวบุตรเท ว, วดาอินพรมเห็นมนุษย์เห็นใครก็ตามที่จึงพึงปรารถนาเอออย่าไปส่งจิตไปตามให้กลับมาหากรรมฐานเดิม ในพอกลับมหากรรมฐานเดิมนิมิตเหล่านั้นมันจะหายเองไม่ต้องตามดูนะพราะเราอยังไม่เคยเดินอย่าไปทําอย่าไปเดินตามนะถ้าเดินตามพอภาวนาเข้าไปพอเห็นนิมิตก็สงใจไปตามนิมิตเดี๋ยวเป็นบ้าสนีง่ายๆนะท่านสอนเพราะท่านฟังสิ่งเหล่านี้เราก็ฟังเอาไว้นะ อ, อให้ศึกษาฟังเอาไว้วิธีการแก้ก็ไม่ยากเ อ, อถ้าเราไม่ตามไปแล้วก็สง กระแสไปตามเรื่องราวที่เห็นนะ่นนะให้ส่งกระแสเข้ามาหากรมมฐานเดิมแล้วกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมายึดจุดนี้เท่านะั้นน่ะนิมิตเหล่านั้นมันก็หายไปเหมือนปิดทิ้งนะ่ะแต่ถ้าว่าเราตามไปดูโอ้แเหมือนกับเราสายไฟฉายไปนะ่ะเรื่องกรู้ดูหนังหมดม้วนนี้หละหมดม้วนนั้นเรื่องราวที่นั้นเรื่องราวจงนี่มีมากเลยนีอ ที่เราจะดูดูทั้งวันทั้งคืนก็ไม่จบเพราะอะไรเพราะมันกระแสของจิตมันหลอ ก, กตัวเองใจของเหลงมันหลอกตัวเองสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทุกๆท่านนะักศึกษานะศึกษาให้ฟังเอาไว้ที่หลวงพ่อได้พูดอันนี้เรื่องส ม, มัทธาตอนทําจิตให้สงบมันจะมีนิมิตถ้าว่าจิตสงบนิ่งลงไปแล้วสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้น สติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นอันนั้นดีให้อยู่นิง่งอย่างนั้นได้ดีเพราะวันจิตมันสงบนิง่งไม่รับรู้ทางกายอีกต่างหากกายจะเป็นยังไงไม่รับรู้ไม่รับรู้ไม่ทราบแต่สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากนั้นก็ถอนขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าพอสงบลงไปเป็นอุปจารสมาธิเนี่ยมันจะมีนิบิตเข้ามาเกี่ยวข้องในหละจุดนี่หลาจุดที่มันเสียหาย ถ้ามันดิ่งลงไปจริงๆที่เป็นอัปปนาจริงๆนะไม่มีปัญหาทีนั้นอ่ะไอ้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาจากนั้นเมื่อจิตถอนออกมาจากความสงบแล้วนํามาพิจารณาทางด้านปัญญานะวิปัสสนาะเนะี่ยแหละเดินวิปัสสนาพิจารณาอะไรก็อย่างที่ลุงพ่อได้พูดได้กล่าวหลายครั้งต่อไรหลายโหนพิจารณาร่างกายพิจารณามรณะพิจารณาธาตุสีดินน้ํามลมไฟพิจารณาได้ทั้งหมด อจากนั้นก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจใจนั่นลหละเป็นตัวการใหญ่เรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจทั้งหมดในเมือมอ่อมองเขามาดูนะนะสติของเราดีแล้วทนี่มันผ่านความสงบมาแล้วน ะ, ะจิตติดนิ่งมามองเขามาหาตัวผู้รู้คือใจจะเห็นใจของตัวเองเลยมันดิ่นออกทางไหนทนี่ตูกดิกดุดิคดุริกเอมันไปทางกิเลสราคะโทสะโมหะ มันคล้ายๆว่ามันมันออกไปจากเออมันมีจุดมีต่อมคองมันอ่ะมีเหตุมันจงค่อยมีผลออกไปมันมาจากเหตุเรื่องแพร่ออกไปจากเหตุเท่านั้เหตุเกิดตัวผู้รู้แล้วผลออกไปยังไงนั่นแหะย่นย้อนเขย่นเข้าไปหาตัวนั้นในเมื่อไปหาตัวนั้นแล้วนะเออตัวนั้นเป็นอนันในจังนะของไม่เทีย่ยงนี่สิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุก สิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยการทําลายภพชาติไม่ใช่ทําลายที่อื่นนะทําลายที่ตัวนึกคิดเอตัวใจนั่นแหละออพอเท้งระเบิดบอมลงไปอนัตตาท่านนั้นออพออนัตตาท่านั้นนะไม่ใช่ตัวตนของเราเนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายคลายนะั่นแหะในจุดนั้นแต่รู้แจ้งเห็นจริงจริงนะ แต่มันต้องผ่านความสงบไปก่อนถ้าเรายังไม่ผ่านความสงบถึงเราจะพิจารณาไปก็เป็นสัญญาค่ะสังขารเนี่ยมาลุมมาตุงมมาตุมมาลมไปเรื่อยแต่ถ้าว่าจิตใจของเราผ่านความสงบเป็นสมาธิดีแล้ว น, นำมาพิจารณาการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลปัญญากับสมาธิเนี่ยสมาธิกับปัญญาเนี่ยจุดนั้นแะมันจะสังขารตัวกิเลสตัวนั้นแต่กระจุยกระจายออกไปได้ราคาโทสะโมหะ หลุดออกจากใจนั่นแหละเป็นบร ม, มสุขในหลักธรรมคําสอนของพุท ธ, ธะเนี่ยหละลวงพ่อได้พูดให้ฟังเรื่องเวทนาเบื้องต้นเนะี่ยเวทนานี่ยสำคัญนะ เ, เราต้องไปแยกแยะให้ได้เหมือนกับรถกับคนขับรถถึงไฟจะไม่รถก็จริงแต่เราออกมาอยู่ข้างนอกถ้าเรามีธรรมนะแต่ถ้าเราไม่ไม่ได้ภาวนามา ก, ก่อนเอีเหมือนกับเราอยู่ในรถเผาทั้งรถด้วยเผาทั้งคนด้วย มันทุกขนาดไหนทีนี่แต่ถ้าว่าเราได้ภาวนามา ก, ก่อนได้แยกแยะร่างกายกับใจใจกับกา ย, เ, ยเหมือนกับรถกับคนขับรถเพราะร่างกายของเราเนี่ยมีห็นรูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจจิตใจคือตัวนึกคิดตัวผู้รู้เนี่ยขาว่าสมองใช่สมองก็ใช่ ในหลักวิทยาศาสตร์ทางโลกเขาก็ว่าสมองอยู่ในหัวสมองของเราเนี่ยตัวนี้แหะเป็นตัวคิดแต่หลักของพุทธศาสนาไม่ใช่เพราะพุทธเจ้าถ้าไปค้นคว้าศึกษาสมองนี่ยเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เน่ยเครื่องคอมพิวเตอร์มันก็คอมพิวเตอร์อยู่ในรถของเราบางทีรถรุ่นรุ่นทันสมัยขึ้นมาเนี่ยมันมีสมองคนมันมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในนั้น พอจะตัดเครื่องขึ้นมาแล้วนะ่ะเออคอมพิวเตอร์ทำงานนะไอ้พอทำงานละเราก็มองดูละโซเฟอร์ก็มองดูล่ะเอมองดูน้ำมันยังยังมากไหมจะวิ่งจะไกี่กิโลเออแล้วก็ดูอีกเออตัวไหนมันมีอะไรไหมมีไฟโชอะไรขึ้นมาไหมไออเนี้เราจะจะดูอะไรไอ ยางบังตาบังอะไรบังของมันเนะ่มันโชว์หมดเพราะแหละเพราะรถมันทันสมัยอันนี้เหมือนกันนะใจของเรามันสมองของเรามันโชว์หมดใร่างกายมันปวดที่ไหนมันเป็นอะไรมีอะไรอยู่ในร่างกายของเรานะแต่ใครเป็นคนรู้เนะี่ยสมองเป็นคนรู้จะไม่ใช่สมองเป็นคนรู้แต่ว่าใจแต่ว่าโซเฟอรนะเออ์เป็นคนดูอีกที่หนึ่ง ดูจากคอมพิวเตอร์อีกทีหนึง่งแต่โลกทั้งโลกเขาเห็นแต่เรื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะแต่อยู่เบื้องลึกลงไปคือดวงใจนามมธรรมจุดนั้นเขามองไม่เห็นเพราะเขายังไม่มีเครื่องมือแต่พระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วท่านให้ความสําคัญตัวที่ไปใช้เครื่องมือไปใช้คอมพิวเตอร์จนุดนั้นตัวการสําคัญมันอยู่ในเรื่องตัวนั้นทั้งหมดนี่แหละ ให้พวกเราศึกษานะหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนซับซ้อนอย่างมากๆถ้แต่พวกเราศึกษาในจุดนั้นแล้วนะพวกเราจะรู้ได้ว่าพุท ธ, ธาศาสนาเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรสอนอะไรมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งหมายอย่างไรที่ท่านแนะนำสั่งสอนพวกเรานะต่อนนไปรับพ่อนเนเนีน่